ในหน้า446กลางหน้าพรมก็เลยกล่าวกับพระพุทธเจ้าว่าท่านผู้เนรทุกข์ฉะนั้นนะบัดนี้เราจะหายตัวจากพร ม, มโลกให้ท่านดูอันนัน้เขาจะหายตัวให้ดูไอ้คําว่าหายตัวเนี่ยแปลว่าเขาจะหายตัวจุติจากมหาพรมกลับไปปฏิสนธิในอภัสระพรมและจุติจากอภัสระพรมเนี่ยไปเกิดในอสุภกินหาพรมและจุติจากสุภกินหาโน่นกลับไปเกิดในเวหัภัณะพรมตามเดิมเขาจะเรียกว่าจะถอยหลังให้ดูว่างั้นเถอะ เสร็จแล้วก็พระพุทธเจ้าก็บอกว่าพรม้มถ้าอย่างนั้นนะท่านประสงค์จะหายท่านก็หายตัวไปเถือนะ่อนนะจะไปไหนก็ไปสิเอาลองดูบ้างกันพิสูจนทั้งหลายครั้งนั้นแหลพระกะพร้มก็กล่าวว่าเราจะหายไปจากพระสมณะโคดมเราจะหายไปจากพระสมณะโคดมแต่ก็ไม่อาจจะหายไปจากนะพระพุทธเจ้าโดยแท้ ที่จริงก็ต้องการจะหายโดยการจุติปฏิสนธิใช่ไหมอยากจะถอยเออเนี่ยกลับไปเกิดในอภัสราพรหมคืนถอยกลับไปเกิดในสุภกินะหะพรหมอยากถอยกลับไปเกิดเป็นเวหผลละพรหมตามเดิมแต่ก็ถอยจุติอะไรก็แล้วก็ถอยกลับไปหาถอยหลังแบบในหนังได้ไหมถอยหลังไปหาปฏิสนธิแล้วก็ถอยหลังข้ามชาติถอยถอยถอยถอยอยนอนกลับไปอยู่เมื่อ500ชาติที่ห้าร้อยกับที่แล้วมันทำไม่ได้หรอกเมื่อทําไม่ได้ทําไงดีเสร็จแล้วก็แอบไปซุกอยู่ตามต้นไม้ตามใบหญ้าอะไรก็อย่างกเด็กเล่นซ่อนหานะ นี้พรมพระพุทธเจ้าก็เนรมิตเอาไว้ก่อนแล้วว่าแอบอยู่ที่ไหนก็ไม่พ้นนะซ่อนตัวตรงไหนก็ทุกคนมองเห็นหมดแป๊บเวลาพรมแอบไปหนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยนะพรมมัปริสัตชาก็มองเห็นอ้าวก็ท่านอยู่นั่นไงท่านอยู่นั่นไหมคือพรมพระกาพรมก็อายๆเนี่ยนะนีไปอยู่ตรงไหนเขาก็มองเห็นนะนะก็เหมือนกับน้องพาอยู่ตรงนี้แอบไปซ่อนอยู่เตียงไหนก็มองเห็นหมดอนะก็มีคนอ้าวนี่อยู่ตรงนี้หลบมาอยู่ตรงนี้หลบมาอยู่ตรงนี้ซ่อนอยู่ตรงนี้นี้ยังไงกันนี้ไม่รอดเนี่ยนะ ทีนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าอ้าวพรมเมื่อท่านหายไม่ได้นะเราเนี่ย ก, ก็เลยกล่าวกับมหาปะกะพรห ม, มาพรหมถ้าอย่างนั้นเราจะหายจากท่านมัง่งนะเราจะหายไปจากท่านมัง่งพรหมก็บอกพูดเนระทุกพี่ฉะนั้นถ้าท่านสามารถหายได้ก็หายโดยไปถเถอะแน่จริงก็หายสิเนี่ยนะพรหมเขาคิดว่าเขาเองยังหายไม่ได้นชะ่ไพระพุทธเจ้าจะไปเก่งกาจขนาดไหนเนี่จะหายได้ พระองค์ก็บันดาลอิทธาพิสังขารด้วยเหตุนั้นพระองค์ก็เข้าเนรินีแล้วก็สินเป็นต้นเนี่ยก็หายตัวบังตัวพระองค์เพราะฉะนั้นพรหมทั้งพรหมบริสัทพรหมมัริสัทชาได้ยินแต่เสียงเราไม่เห็นเราเราได้หายตัวไปแล้วเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็หายตัวเนี่ยนะเพราะอะไรบันดาลอิทธาพิสังขารพอบันดาลอิทธาพิสังขารเนี่ยนะทีนี้ พระพุทธเจ้าก็ได้กล่าวคาถาเนี่ยนะกล่าวคาถาขึ้นตรงนั้นขึ้นมาตรงนี้เป็นคาถาที่ประกาศอริยสัจเนี่ยนะในหน้า4 46, 4 6 4 4 7เนี่ยนะเป็นคาถาทีป่ประกาศอริยสัจเลยแหละแต่จริงก่อนหน้านี้ก็ประกาศมาหลายครั้งแต่เป็นคาถาที่พรมเขาบรรลุพระองค์ก็ตรัสว่าเราเห็นภัยในภพพระพุทธเจ้าเห็นภัยในการมาพบรูปประพบเลย รูปประพบเนี่ยนะเห็นภัยด้วยพยัติูปฐปานญยานอาทีนวายาณเห็นภัยด้วยมัรคยานไปทั้งหลายและพระองค์ก็เห็นภพของสัตว์ผู้สแสวงหาวิภพแล้วอนะสัตว์รรทั้งหลายเร่าร้อนอยู่ในภพก็ต้องการพ้นจากภพเนี่ยนะเราไม่ชื่นชมภพด้วยตัณหาและทิฏฐิเลยและไม่ได้ยึดมั่นนันทีความเพลิดเพลินเลยเพราะฉะนั้นดับนันทีความเพลิดเพลินได้หมดแล้วเนี่ยนะ นนในอัตถกถาหน้าสี่ย่อหน้าข้างล่างบอกว่าเรานี้เห็นภายในภพคือเห็นภพสามแล้วก็แม้พบทั้งสามมีการมาพบเป็นท้นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยสแสวงหาวิภพเนี่ยน ะ, สะแสวงหาธรรมเป็นที่พ้พนพบเราเนี่ยนะไม่พร่ำหาภพก็คือไม่พร่ำบนไม่สแสวงหาภพด้วยอำนาะจตันหาและทิฏฐิและไม่ยึดมั่นความเพลดิดเพลินหมายว่ามไม่เข้าถึงไม่ได้ถือเอาตันหาในภพ เพราะพระพุทธเจ้าดับตัณหาในภพได้เสร็จแล้วพระศาสดาเมื่อประกาศความจริงสี่ประการแสดงพระธรรมด้วยประการชนิดคาถาเนี่ยพระองค์บอกว่าพระองค์เห็นภัยในภพและพระองค์ดับตัณหาได้ภพการที่พระองค์บอกว่าเห็นภัยในภพนี่เห็นภัยด้วยอะไรด้วยอนุปัสสนาทั้งหลายเนี่ยนะก็เท่ากับประกาศทุกขสัจจะเนี่ยนะที่เป็นอา ร, รัมมณปัจจัยของอนุปัสนาทั้งหลายแล้วก็เห็นไม่ชื่นชมภพเพราะดับความเพลิดเพลินในภพ เพราะก็แสดงว่าดับสมุทัยเนี่ยนะดับสมุทัยเสร็จแล้วก็เห็นธรรมเป็นที่ดับก็คือเห็นพระนิพพานธรรมที่เห็นเนี่ยนะไอ้คำว่าเห็นพบเป็นต้นเนี่ยนะเห็นนิพพานเนี่ยคำว่าเห็นตัวนั้นเป็นชื่อของอริยมรรคพระพุทธเจ้าก็ประกาศอริยสัจทุสมุทัยนิโรธมรรคเสร็จแล้วเพราะในข้อ5้าห้าสิบห้าเนี่ยนะเป็นคาถาที่พรหมบรรลุ เขาบอกว่าพอพุทธเจ้าตรัสคำนี้จบลงเนี่ยพรหมบรรลุมรรคผลประมาณหมื่นองค์เราฟงังมันก็จะรู้เรื่องเลยนะเราฟังแล้วบรรลุเป็นอริยสัจบรรลุไปแล้วหมื่นอง์เลยนะไอ้พรหมเขาเข้าใจอะไรที่มันลึกซึ้งริงๆเลยนะมันในหน้า463เขาบอกว่า เมื่อพระพุทธเจ้าเทศนาคาถานั้นจบลงลนะพรมประมาณหมื่นองค์ยังวิปัสนาให้ถึงห้องตามแนวแห่งเทศนาก็ดื่มอมตะธรรมบรรลุมรรคผลพอพรมบรรลุมรรคผลเสร็จแล้วก็ในข้อห้าร้อยห้าสิบห้าพระองค์ก็บอกว่าภิกูุนทั้งหลายครั้งนั้นพรมและพรมบริษัทพรมมัปริสัทชะก็มีความแปลกประหลาดอัศจรรย์จิตเรียกว่าเกิดความอัศจรรย์ขึ้นว่า ท่านผู้เจริญน่าอัศจรรย์หนอท่านผู้เจริญไม่เคยมีมาเนอพระสมณะโคดมเนี่ยมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก่อนแต่นี้พวกเราไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้ยินสมณะพราหมณ์อื่นที่มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเหมือนพระสมณะโคดมผู้ออกบวชจากสกฤตสกุลถอนภพรพร้อมทั้งรากมูลแห่งหมูสัตว์ในภพ ผู้รื่นผู้รื่นรมยินดีในพบเพลิดเพลินในพบพระพุทธเจ้าพ้นจากพบในหมู่สัตว์ที่กำลังชื่นชมเพลิดเพลินในพบสัตว์ทั้งหลายเพลิดเพลินในพบแต่พระพุทธเจ้าพ้นจากพบเพราะฉันไม่เคยพบเห็นผู้ใดขนาดนี้เลยและมาสอนให้บรรลุตามด้วยเนี่ยนะมาสอนให้ตรัสรู้ตามด้วยพระพุทธเจ้าพรหมบรรลุตั้งเท่าไหร่หมื่นองค์ใช่ไหบรรลุหมื่นองค์ อันนะั้น่าเพนไปทรมมารบครั้งหนึ่งก็คุ้มค่าเลยนะมันลุกตั้งหมื่นหนึ่งอนนะในข้อห้าร้อยห้าสิบหกพิษโทั้งหลายครั้งนั้นมารผู้มีบาปเนี่ยนะเา ก, ก็ยังมาอีกนะโอ้ไม่ได้เรื่องนี้มันก็ต้องมีทั้งสองฝ่ายนะมารผู้มีบาปก็เข้าสิงพรหมปาริษัทชาอีกองค์หนึ่งแล้วก็กล่าวว่าผู้เนรทุกข ถ้าท่านจักถ้าท่านจักรู้อย่างนี้ตรัสรู้อย่างนี้ก็อย่าแนะนําอย่าแสดงธรรมอย่าทําความยินดีกับพวกสาวกและพวกบันปะชิตเลยมานี่แหมมันไส้มากเลยนะพบบเดียวเนี้ยบรรลุไปตั้งหมื่นองแล้วเสร็จแล้วบอกถ้ารู้เห็นอย่างนี้แล้วทําไมต้องสอนไม่ต้องสอนคนอื่นหรอกอย่าพันอย่าแนะนําอย่าสอนอย่าทําความยินดีไม่ต้องสอนสาวกไม่ต้องสอนบันปะชิตไม่ต้องสอนใครทั้งนั้นหรอกทําไมหรอวะเหตุผลว่าอย่าสอน สมณะพราหมณ์พวกก่อนท่านนะพวกนี้ปฏิญาณตนว่าตัวเองเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลกสมณะและพราหมณ์พวกนั้นก็แนะนําแล้วก็แสดงทำ ท, ทําความยินดีกับพวกสาวกและพวกบันประชิตครั้นแต่กายขาดลมปรางก็เกิดในสัตว์เลวหมูสัตว์สัตว์ชั้นเลวแปลว่าพวกนี้มัวแต่เพลิดเพลิน เ, เที่ยวสังสรรค์คนอื่นตายแล้วเกิดในบายเลยเกิดในนรกเลย เพราะว่านั่ท่านจะสอนนะเดี๋ยวท่านเสื่อมเนะว่าหลังถ้าเกิดท่านไปนเพลิดเพลินติดใจในลูกศิษย์เข้าตายตกนรกนะอย่างงี้ย น, นะนะเคยมีมาแล้วตัวอย่างเคยมีมาแล้วเขาบอกงั้นนะเขาเล่าให้ฟังว่ามีตัวอย่างให้เห็นนะส่วนสมณะพราหมณ์พวกที่เกิดก่อนท่านบางพวกที่ปฏิญาณว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสมณะพราหมณ์พวกนั้นไม่แนะนําไม่แสดงธรรมไม่ทําความยินดีกับพวกสาวก ท, ทั้งที่เป็นบนรรพชิตครั้นเบื้องหน้า ตายแตกเพราะแก่แตกกายตายไปก็เกิดเป็นปณิษสัตว์เป็นพิเป็นสัตว์ชั้นดีก็แปลว่าเกิดเป็นพรหมเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพวกที่แบบหมบรรลุเป็นพระอรหรันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะถ้าไม่เน้นธรไม่แนะนํา ไ, ไม่แสดงธรรมไม่พร่ำสอนไม่ติดใจในลูกศิษย์ทั้งหลายนะไม่ต้องสอนใครตายแล้วก็มาเกิดในพรหมโลกนะเชื่นชมนะแต่พวกไอพวกที่บรรลุแล้วอ้างว่าบรรลุแล้วเที่ยวสอนไปอบายกันหมดเลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านอย่าสอนนะ เพราะฉะนั้นท่านผู้เนรทุกข์อ่าเพราะฉะนั้นเราขอบอกกับท่านท่านผู้เนรทุกขเทอร์ชั่นเป็นผู้มักน้อยเธอเนี่ยนะคื อ, ค, อคือมันหวงมากอ่ะเออถ้าท่านรู้แล้วทําไมต้องสอนคนอื่นด้วยเนี่ยนะคือมันหมันไส้อ่ะเขาบอกว่ามารผู้มีบาปคือมีใจริษยาเป็นปกติเนี่ยนะริษยาพระพุทธเจ้าตลอดเลยนะริษยาพระพุทธเจ้ามันไสพวกที่จะบรรลุทั้งหมดเนี่ยนะคล้ายแบบนี้เนี่ยนะ เพราะฉะนั้นขอท่านจงเป็นผู้มักน้อยเนี่ยนะอย่าสอนใครเลยอย่างนั้นตามประกอบอยู่ความสบายในที่ธรรมมุศขวิหารธรรมสบายเพลิดเพลินยืนก็สบายนั่งก็สบายนอนก็สบายอยู่เถอะเพราะการไม่บอกสอนเป็นความดีท่านอย่าไปบอกสอนสัตว์อื่นเลยเนี่ยนะ มันใสขนาดนั้นเนี่ยนะดีก็ดีเฉพาะตัวสิทำไมต้องไปยุ่งอะไรกับคนอื่นด้วยเป็นต้นเน่ยนะที่ไหนได้ตัวเองริสยาตารอนน่ยนะก็เลยนอนไม่หลับเครียดมากนะขนาดอยู่ในพรหมโลกไอ้แอะไรนะอยู่ในสวรรค์ยังร้อนระอุเลยนะใจมันร้อนด้วยริสยาร้อนด้วยมานะริสยามานะเป็นต้นเนี่ยมันแฝงไปจถึงพรหมโลกขว้างตามตามหาเรื่องตลอดในตาในเขาในสวรรค์ในอะไรหาเรื่องไปหมดนะนะมาเนี่ย พระพุทธเจ้ายอมให้มาเลยใช่ไหมเพราะมานเมานเขามานเขาขอร้องพระพุทธเจ้าใช่ไหมเตือนพระพุทธเจ้าอีกอ่เดี๋ยวท่านจะเกิดในอบายนะที่จริงก็ที่ไหนได้มอเอาแป๊บเพลอแป๊บเดียวเนี่ยสอนให้บรรลุไปตั้งหมื่นองแล้วใช่ไหมนี่ถ้าเกิดคืนสอนไปวันนี้อมจะขนาดไหนนี่เพราะฉะนั้นเลิกเธอเลิกเธอพอแล้วเนี่ยนะนะคือเขารู้ว่าเขาตามยังไงก็ตามไม่ทันพระพุทธเจ้าก็เลยหาเรื่องบอกถ้าท่านสอนนะท่านจะตกนรกเนี่ยนะขนะนะู่พระพุทธเจ้าหน้าดูเลยเนะนี่ยมานเนี่ย ภิกษุทั้งหลายเมื่อมารกล่าวอย่างนี้แล้วเราก็กล่าวกับมารผู้มีบาปอย่างนี้ว่าเรารู้จักท่านดีมารท่านอย่าคิดว่าเราไม่รู้จักว่าสมณะเนี่ยไม่รู้จักเราอย่าคิดนะว่าเราไม่รู้จักท่านเพราะเขาเาสิงอยู่ใช่ไหมเขาไม่ได้ปรากฏกายเนี่ยเขาไปสิงอยู่ในพรหมก็นึกว่าพรหมหรือว่าพระพุทธเจ้าไม่รู้หรอเนึ่อว่าเป็นคาของพรหมพูดกันมาเฉยเฉไม่ใช่ท่านเป็นมารท่านเป็นผู้มีหาท่านหามี ความอนุเคราะห์ด้วยจิตเกื้อกูลไม่ท่านไม่ได้มีเมตตาต่อสัตว์เลยท่านเนี่ยนะไม่ได้มีเมตตาหวังประโยชน์ต่อสรรพสัตว์ทั้งเลยทั้งหลายเลยท่านเนี่ยใจดําจริงๆเห็นคนอื่นทุกเนี่ยนะท่านไม่ต้องการให้ผู้อื่นพ้นทุกข์เลย <Okay. S 2> ท่านไม่ต้องการให้ผู้อื่นมีความสุขเลยแสดงว่าท่านใจดํามากคําบอกว่าท่านไม่มีความอนุเคราะห์เกื้อกูลเลยท่านไม่ได้มีเมตตาการุณาเลยก็แปลวา่าท่านใจดํามากใจท่านแห้งแล้งแฝงไปด้วยริษยาเป็นต้นนั่นะ เพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวกับเราอย่างนี้ที่ท่านมาพูดขวางเนี่ยนะขัดว่าอย่าหอย่าแนะนำอย่าบอกอย่าสอนอย่ายินดีกับสาวกเป็นต้นเนี่ยนะเพราะท่านไม่มีความอนุเคราะห์ด้วยจิตเกื้อกูลท่านจึงกล่าวกับเราอย่างนี้มานท่านมีความคิดว่าพระสมณะโคโดมจัดแสดงธรรมแก่ชนเหล่าใดทํเออชนเหล่านั้นจัดล่วงเกินวิสัยของเราไป เรื่รนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกว่าเดี๋ยวตัวเองอำนาจมันจะล ด, ดลงเลยนะยพวกนี้ห่วงเก้าอี้มากเลยนะห่วงอำนาจมากกลัวตัวเองจะตกต่ำเนี่ยนะวันนี้ยึดติดในอำนาจมากเดี๋ยวถ้าท่านไปบอกแนะนําคนอื่นเดี๋ยวคนอื่นฉลาดบรรลุมรรคผลเกินวิสัยเราไปหมดเนี่ยนะก็คื อ, ค, อคือเขาคิดว่าแบบอะไรนะคล้ายกับว่าต้องยอมใจให้สัตว์ทั้งหลายมัวเมาเพลิดเพลินเนี่ยอย่างที่เคยเค ย, เคยมีบางบางท่านเขเล่าให้ฟังบอกว่าภรรยาบางคนเนี่ยนะอยากให้สามีเนี่ยไม่ไม่ออกนอกบ้านไม่อะไรก็เลยทำไงดี ก็ซื้อเหล้าเลี้ยงเหล้าอยู่ในบ้านตลอดให้ผัวเนี่เมาตลอดจะได้ไม่ต้องไปหาคนอื่นเป็นต้นเนี่ยนะเขบอกว่าคนคิดแบบนี้ก็มีเนี่ยนะเขาบอกว่าเนี่ยลักษณะนิสยัยคนที่เรียกว่ามหันก็ลักษณะแบบเนี่ยต้องให้คนอื่นเขามอมเมามัวเมาเดี๋ยวเขาจะดีเกินหน้าเกินตาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ต้องไปสอนเดี๋ยวคนอื่นเขาจะได้ดีบได้ดีเพัญหาเรื่องคว้างไม่ตลอดนะทีนี้พระพุทธเจ้าก็แก้แก้คําที่บอกว่าใครที่สอนคนนั้นตกนรกเนี่ยนะพระองค์ก็เลยบอกว่าสมณะพราหมณ์นั้นน่ะ ที่ท่านอ้างถึงนะี่ยเขาไม่ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรอกแต่ก็ปฏิญาณว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือคือจริงๆแล้วคนที่บอกว่าที่ท่านบอกยกมาตัวอย่างว่าเขาเนี่ยอ้างว่าตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าเสร็จ แ, แล้วก็สอนคนอื่นสอนเสร็จแล้วตกนรกเพราะเขาจริงๆเขาไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ มารผู้หลามกส่วนเราเนี่ยนะคือพระพุทธเจ้าเราเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ปฏิญาณว่าเราเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มารผู้หลามกตถาคตแม้เมื่อแสดงธรรมแก่พวกสา ว, ก, นนส ก, สาวกก็เป็นเช่นนั้นแม้ไม่แสดงธรรมแก่พวกสาวกก็เป็นเช่นนั้นคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้คงที่เป็นผู้สมบูรณ์เนี่ยนะตาที่โนเนี่ยนะเป็นผู้ที่มั่นคงทั้งอารมณ์ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาสัตว์อื่นจะบรรลุหรือไม่บรรลุพระองค์ก็คงเดิมเพราะฉะนั้นพระองค์จะสอนหรือไม่สอนพระองค์ก็เป็นเช่นนั้นจะแนะนําหรือไม่แนะนําสาวกพระองค์ก็เป็นเช่นนั้นและ เพราะเหตุใดทำไมพระองค์จึงคงคงเป็นผู้เช่นนั้น่ะมั่นคงในในภาวะสับความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้ามั่นคงก็เพราะว่าอาสะวะเหล่าใดอันเศร้ามองให้เกิดในพบใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์มีชาติชารามรณะเป็นต้นต่อไปเนี่ยนะอาสะวะเหล่านั้นตถาคตละได้แล้ว มีถอนรากเหง้าไม่ได้หมดแล้วถอนรากเหง้าของกามาสวะภวาสวะทิฏฐสวะอวิชชาสวะได้แล้วทําให้ไม่มีที่ตั้งเป็นเหมือนกับต้นตาลที่ต่อด้วนเนี่ยนะต้นตาลที่มีแต่ตอด้วนเนี่ยนะมันจะไม่มีการงอกเลงอกงามอีกต่อไปเพราะฉะนั้นการเกิดของเราจึงไม่มีอีกต่อไปอาสวะของเราก็ไม่งอกงามต่อไปเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดยอดออกไปแล้วจะไม่งอกงามอีกต่อไปฉะนั้นยังไง ก็บอกว่าพระสูตรนี้ที่พระองค์ตรัสเนี่ยนะมานไม่ได้ขอร้องแต่พรหมเชื่อเชิญก็เลยชื่อว่าพรหมนิมันตนิกาสูตรเนี่ยนะพรหมนิมันตนิกาสูตรพรหมเขาเชื่อเชิญว่าไงนะอุย้ยพรหมมะโลกนี่มันเยี่ยมเนี่ยนะใครมาเกิดในพรหมมะโลกก็ไ ม, ไม่ไม่จุติปฏิสนธิเป็นต้นซึ่งพระองค์ก็อาศัยในยะนี้ก็ไปสอนถามใ ห, ให้ให้ใครฟังให้พรหมฟังเนี่ยนะก็ในที่สุดก็ได้บัณฑ์พรหมก็บรรลุมรักผล เพราะสูตรเนี่ยประมาณหมื่นหนึ่งเนี่ยนะแต่ก็เนื้อหาก็ถือว่ารายละเอียดที่ที่ลึกซึ้งแล้วก็กว้างขวางเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็พระพุทธเจ้าเนี่ยนะตรัสรู้ทมใด โอวาทสั่งสอนอนุเคราะห์สงเคราะห์สรัรพสัต ท, ทั้งหลายอานานการมาพบรูปประพบเป็นต้นเนี่ยนะให้สัตว์เหล่านั้นพ้นจากทุกข์ขอให้พวกเราทั้งหลายมีส่วนได้ตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุกข์อานตามพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมเช่นกับพระริยเจ้าทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าสงเคราะห์ด้วยกันทุกท่านเนี่ยนะเจนพรชาวนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้